มือนีกิกะเป็นวันที่ที่หกถวเนาะเลื่อยสีไม้ไท่เลยสงการมาแล้วเลื่อยฟองซัมมือแล้วบานนี้มันมวนแล้วก้ะหันขับมาภาวนาใหม่อีกก็หันหันมากขึ้นมากเลยขึ้นมาภาวนาตอภาวนาจะ้ะว่างยากอตอจ้ะเคยเฮ็ดมาแล้วมันซ่อมเจ้าค้องเรื่อย ล ja an ัง euh, ค oh, wow. uh uh ้นกันเดือดร้อนเรื่องฟูงซ่านเออฟุงซ่านนี่ขันเท้าไปต่อตานมันหลคืดว่าได้มันบดีไหลมงแต่คืดยากนั่นแล้วคืว่าโอ้ยดี๋จะไหนนาะจะเลยนาะสีมัสีเศ้าอาจางยันวันนี้เท้าเศร้าคืดยากข้าวันนี้โอยมงจะฟุงจานก็ฟุงซ่านสักูกับจีซ้อมมงจะฟ้องยูนีละวางจีได้ อ น, นอยากให้ฟุ้งซ่านได้พบในยังหวัดให้ฟุ้งซ่านกับฟุ้งซ่านแต่ว่าสีซ่อมมือจะคล้องนี่แหละฟุ้งซ่านจะตามแต่สีซ่อมมึงจะคล้องวโอ้เอานั่งอยู่บ่คือยืนอยู่คือนอนอยู่ควอมอย่างนี้แหละแล้วก็ที่เห็นแบบเออเขายืนเขานั่งเขานอนเพื่อนิเส์น เ, อ, เ, นเอ้ยออนขวอมแนวนี้นะเขาบ่าเคยซ่อมบ่เคยเห็นบ่มีไพล์วอลพ่อ พัเพ่อนว่ากว่ายืนกับหูมืออยู่ของนั่งกับหูมืออยู่ของนอนกับหูมืออยู่ของอ่ามันแตกเหรอแต่ที่เฮาบเคยซ่อมอยู่ของจั๊กเชือยกับบุ้งค่ยหูจักอย่ของจั๊กเชือเดมัดมือกมดมือนั่งยู่กับบ้หูจักยืนยู่อกับบ้งูจักจั๊กเืออันละเอียดเขาเป็นพวหันนั่นหันใจยอเชือยื้อเชือเน่ะมือละกันไลเป็นท่านท่านเชือแงบุ้งหูจักจักเชือไว้กัน อ้าวแตกเลย ว, วิบัดเนี้ยเขามีแนวเบิงแล้วมีแนวเล่นแล้วบ้านเนี้ยอาจารยซ้อมอยู่นี่แล้วบ้านเนี้ยขันซ่อมอยู่นี่แล้ว่วมหุงซานมันมืดดอกมันจักหลักหนีใช่ย่ำไรดอกนี่เขต้องไปฝากมันโดยตรงได้ขันว่าโอ้ยหุงซานมันคลืนยัก ด, ดึงข้งดึงทั้งล่า ง, ง, ง, ง, งใส่กําล่งค่อยพกค่อยฟองนั่นแต่เลยคือยัอยอ ง, ง, ยยงจับปูใส่กระดงคนละปูนี่หลายโตมันพอท่านตายไม่ปูเลย ว่างใจะดูงไงยงไง อ, อกไปซืซื้รางนี่นั่นหละคว่พุงซ่านคือกันนั่นหละบ่ต้องใส่น้ำได้แบบนี้ไนดะ้ไม่ต้องไปซ่อมม่ต้องยากหรอกมันอย่าพุงกันมันพุงะซะสูก็พุงไปเพาะซืะ้อซะเข้านีนะ่น้ซ่อมเบงเจ้าของนี่อืมเขาก็มีใจอยู่ตัวมีใจอยู่ส่วนี้รมหันใจหรือมีอยู่เขาก็ซ่อมมา น, นี่แล้วมันสะแล่นจะใช้กตามเลยไหมมั่นนะอ่ะเข้ากับอยู่นีขันซ่อมจงสี่แหละ มันเศ้าดอกฟูงซานหันเป็นเศ้าฟูงซ่านเขาเอิ้นว่าสมาธินี่มันเป็นอลไรได้ฮ น, น, น, นี่ยว่าต้องไปเอิ้นเอาใซื้อมันดอกเอาตัวจริงมันโหลดคุบได้แล้วกำข้อมาเบิ้งได้แล้วโอ้ยเจีหนึ่งสี่เจอสมาธิเอือกันแตไปถามเขาคู่บาอาจารย์เจร่ญวาสนาธิมีอาการอย่างสันอาการเนียงสันฮู้ยเขาก็มีอยู่แล้วตัวหนึ่งก็ในเวลานี้มันก็ได้หรือได้ว่านี่ ไปเป็งสี่แด้วเยสิาหานำครุภัณฑสมาธิสมาธิสมาธินำครุภัณฑ์อยู่หันมัดปีมัาศาสตร์ไะ้รล่ะของซ้อมของนินแหละเขาบิดไปยังไงต่อตามสมาธิท่วมพุงพ่งท่วมจานท่วมลำขันต่งางๆเนี่ยโ<อ>้เห็นมันําขั้นเท่าไรกันเท่ากับพิยุพหะเท่ากัน อ, อันนี้เจ้ที่เราใช่ดอกแก้ปัญหาไดิมมัดนลน้วท่วมพุงจานมันพุง่งคือคใายแน่ล่ะ การเทาไปนําคุบมันเพท่านเหที่มันลำค้านาเยเขาจะว่าฟุ่งซ่านลาคาญถ้ามันฟุ้งซ่านคือเพราะท่านไปเดือดร้อนกับเพราะลำค้านหรอกมันฟุ้งซานแล้วมันอยากไปคุบมันไปนั่มก้นมันอยากไปกํา้อมันหน่อยอยากไปคุอยากไปดึงมันหน่อยอยากไปตอนมันหน่อยตอนมือกับบริยุกและลาค้านบานนี้เพต้องลาค้านไละฟุ่งกระตามหัวมันทีละเป็นวิธีภาวนาวิธีปากควบฟุ้งซานพร้อม